วันนี้เป็นวันเสาร์ที่20สกรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันอาสาฬหาบูชาคำว่าอาสาฬหบูชาก็คือการบูชาในเดือนอาสาฬหะ เดนในสมัยพุทธกาลมีชื่อว่าอาสาฬหะเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็คือเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นวันก่อตั้งพระพุทธศาสนาซึ่งในปีนี้ก็จะเป็น ครบรอบที่สอง2สปีนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาตัวเลขนี้ก็เอามาจากสอง7บดบวกกับส5ปสเบห้าปีเพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่สิบห้าปีก่อนพุทธกาลพุทธกาลนี้นับจากวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปารณิพานปีนี้เป็นปีที่ 2,567 บวกกับ45ก็จะได้ 2,612 ปีนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาการที่จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบสองค์ด้วยกันคือต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าถึงจะทําให้มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้และตั้งอยู่ไปได้นา น, น, าน จำเป็นที่จะต้องมีสามองค์ประกอบนี้องค์ประกอบแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกนี้คือการตัดสร้ของสัมณะโคดมเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้สละราชสมบัติเพื่อออกบวชเพื่อแสวงหา ทางสู่การหรลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญอยู่หกปีด้วยกันก็ได้ตัดสูุพระอนุตตลสาสัมมาสาัมโพธิญาณทรงเห็นพระอริยสัจสี่เห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และเห็นเหตุที่จะทำให้ลุความทุกข์นั้นดับไปพระ อ, องค์จึงสามารถ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หายไปจนหมดสิน้นหลังจากที่ได้ทําให้ความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในจิตใจมาเป็นเวลาอันยาวนานหลายกลับหลายกันด้วยกันให้หมดสิ้นไปได้แล้วพระองค์จึงมีความการุณามีความเมตตาที่อยากจะ ช่วยเหลือสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะเพียงพบนี้ชาตินี้เพียงพบเดียว ่การเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ได้มีการเกิดแก่เจ็บตายมาอย่างต่อเนื่องนับจำนวนภพชาติไม่ได้ถ้าอยากจะรู้จำนวนของพบชาติที่พวกเราได้มาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าให้เอาน้ำตาที่พวกเราได้ หลังออกมาในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดกันเพราะทุกครั้งที่เรามาเกิดในโลกนี้เรามักจะต้องเจอกับความทุกข์เจอกับความเศร้าโศกเสียใจแล้วเราก็ต้องหลั่งน้ําตากันให้อ้อนน้ําตาที่เราหลั่งด้วยความเศร้าโศกเสียใจนี้มารวบรวมกันไว้ของแต่ละภพแต่ละชาตินี่เมื่อมารวมกันแล้วนี้จะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร นัน่นะคือปริมาณของความทุกข์หรือปริมาณของภพชาติของพวกเราที่ได้มาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆและก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราหยุดหรือดับความทุกข์ต่างๆ หยุดการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของ เ, าเราได้ถ้าไ ม, มธธไม่มีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้นี้จะไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองเพราะความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่ต้องมีบุคคลที่มีปัญญาบาลมีอย่างพระโพธิสัตวานั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้ก็มีพระพุทธเจ้าของเรา อพระเจ้าชายสิทธัตถะสัมณโคดมเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงพระธรรมมันประเสริฐพระธรรมที่จะทำให้ผู้ที่ได้เข้าถึงได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลังจากที่ได้หลุดพ้นแล้วก็ทรงมีความเมตตามีความกาุณาที่เห็นชัดโลกอย่างพวกเรานี้ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ก็ทำคำสอนให้แก่สัตว์โลกองค์ก็เลยตัดสินพระทัยจะโปรดสัตว์ด้วยการแสดงธรรมพอถึงวันเพ็ญเดือนแปคือเดืเดอนอาสารานี้ พระ อ, องค์ก็ทรงตัดสินใจเดินทางไปสอนกลุ่มแรกบุคคลที่พระ อ, องค์ทรงมุ่งไปสอนก็คือพระปัญจวัคคีเนื่องจากทรงเห็นว่าบุคคลที่จะสามารถเข้าถึงอริยสัจว์4นี้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มีศีลที่บริสุทธิ์ แล้วก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นในสมาธิในฌานระดับต่างๆเท่านั้น mm hmm. ถ้ายังไม่มีจิตใจในระดับนี้การฟังธรรมคือปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมนี้จะไม่สามารถเข้าใจและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาได้ mm hmm. ในเบื้องต้นพระองค์จึงทรงมองไปในกลุ่มของพวกนักบวช ที่เป็นผู้ที่มีความบริรสุทธิ์ในศีลเพราะความบริรสุทธิ์ในศีลนี้จะเป็นผู้สนับสนุนให้การปฏิบัติสมาธิเป็นไปได้ผลได้อานิสงส์พอได้ศีลพอมีศีลบริสุทธิ์พอไปปฏิบัติธรรมคือสมาธิจิตใจก็จะสงบตั้งมั่นเข้าสู่ในชานในระดับต่างๆได้ เมื่อมีจิตใจที่ตั้งมั่นในพลังแห่งอุเบกขาของฌานก็ได้ได้ินได้ฟังเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เหตุที่พาให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงก็าสามารถที่จะใช้พลังของสมาธินี้ และความรู้ทางปัญญามาระ ง, งับดับความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่พาให้จิตใจมาเวียนว่ายตายเกิดได้พอพระพุทธเจ้าจึงทรงคิดไปถึงพวกนักบวชและพวกนักบวชที่พระ อ, องค์ทรงคิดถึงเบื้องต้นก็มีพระอาจารย์สองรูปด้วยกันพระอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าได้ไปทรงศึกษา วิธีเข้าสมาธิขั้นต่างๆแต่ก็ได้ทราบข่าวว่าท่านทั้งสองรูปได้มรณภาพไปแล้วพระองค์ก็ทรงเสียพระทัยเพราะทรงเห็นว่าโอกาสอันดีอันเลิศที่จะได้ดุจพ้นจากความทุกข์ของพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ก็สูญไปเพราะว่าการที่ท่านตายจากไป ท่านก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกและหลังจากนั้นท่านก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ซึ่งกลับมาเกิดใหม่ในคราวหน้าก็อาจจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาอีกก็จะไม่มีใครสอนใครบอกวิธีของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายองทรงคิดไว้ในใจ ก็เลยมองไปที่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพรอปัญจาวะคีผู้เป็นเหมือนกับเป็นผู้ติดตามเป็นเพื่อนปฏิบัติธรรมกับพระองค์ห้ารูปด้วยกันที่คอยสนับสนุนคอยติดตามคอยศึกษาจากพระพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างๆแต่หลังจากที่พระองค์ได้เลิกการทรมานตน ด้วยการอดพระกายาหารเพระปัญจวคีก็เลยเกิดความเสื่มศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าก็เลยปีกแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าไปหลังจากที่พระเจ้าได้ตัดจารุแล้วก็มองไปที่พระปัญจวคีนี้เพราะรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์และมีสมาธิที่ตั้งมั่นมีจิตที่ตั้งมั่นในสมาธิพร้อมที่จะรับ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งธรรมที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้ได้จึงมุ่งไปที่พระปัญจวัคคีแล้วก็ได้พบกับพระปัญจวัคคีในวันเพ็ญเดือน8คือในวันนาสารหะบูชานี้ก็เลยแสดงทำให้กับพระปัญจวัคคีแสดงพระอริยสัจส์่แสดงมรรคดวิธีการของการปฏิบัติ เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรมเสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็น ส, สัจธรรมความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา เช่นร่างกายของคนทุกคนเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องตายไปเป็นธรรมดาความทุกข์ที่เกิดจากความตายนั้นก็เพราะว่ามีความอยากไม่ตายนั่นเองความอยากอยู่ไปนานๆความอยากที่จะหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข พอรู้ว่าจะต้องตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดแล้วก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้ผู้ที่มีสมาธิผู้ที่ได้เอาปัญญาที่พพุทธเจ้าได้ทรงสอน มาพิ จ, จารณาก็เห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากนี้เท่านั้นเองอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆอยากหาความสุขจากการมีร่างกาย mm hmm. ก็เลยต้องหยุดความอยากนี้ถ้าไม่ต้องการความทุกข์ mm hmm. ด้วยการยอมรับความจริงของร่างกายว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา พอรับความจริงอันนี้ได้ด้วยปัญญาด้วยสมาธิใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทันทีได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้แปลว่าผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วจะมุ่งไปที่พระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายเพียงจุดเดียวเท่านั้น จะไม่ไปการจะไม่ไปที่ไหนอีกต่อไปจะลดภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปตามลำดับอย่างพระโสดาบันนี้ก็จะเหลือภพชาติอีกไม่เกินเจ็ดภพชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าได้ปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปพิจารณาปัญญาที่ลึกเข้าไปก็จะสามารถตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปจนในที่สุด ก็จะไม่มีพบชาติลงเหลืออยู่อีกต่อไปก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตัาววกได้เข้าถึงพระนิพพานเป็นที่ที่มีแต่บรมรสุเพราะเป็นที่ที่ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองวันนั้นหลังจากที่ทรงแสดงธรรมก็มีปรากฏว่ามีพระรัตนกัยครบองค์ขึ้นมา คือมีพระพุทธเจ้าผู้แสดงธทรรมอันประเสริฐมีธรรมะที่พู้เจ้าเป็นผู้แสดงแล้วก็มีพระอาริยสงสาวกผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมและได้บรรลุปเป็นพระอาริยบุคคลขึ้นมาเมื่อมีครบองนี้ก็ถือว่าพระพุทธศาสนานี้ได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วได้จะเป็น จะเป็นองค์กรหรือจะเป็นสถาบันที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ในพระอริยสัจสีให้แก่สัตโลกทั้งหลายผู้ที่ต้องการศึกษาต้องการปฏิบัติเพื่อให้จิตได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้ที่มาทำหน้าที่ เผยแร่สั่งสอนแต่พระพุทธเจ้านี้ก็ทรงอยู่ได้ไม่เกิน80ปีหลังจากนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระอริยสงสาวกที่จะมาช่วยกันเอาธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกไปเรื่อยๆถ้าตราบใดมีการบรรลุมรรคผลนิพพานของพระอริยสงสาวก หลังนั้นก็จะมีครูมีอาจารย์ที่จะสามารถนำเอ า, าคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้ผู้ที่ได้ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธนี้ยังถือว่าเป็น เป็นศาสนาที่ครบถ้วนบริบูรณ์ในการทําหน้าที่นําพาสามโลกที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายได้ตายเกิดได้อย่างอย่างสม่ําเสมอมาทุกยุคทุกสมัยนี่แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนาตราบใดถ้ายังมีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า และมีพระอริยสงสารุกของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ดังนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังจะอยู่คู่กับโลกนี้ทําหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนจัดโลกให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ทรงตัดไว้ว่าเราจากไปเพียงแต่ร่างกายเท่านั้น แต่ตัวเรานี้ยังอยู่กับพวกท่านคือศาสดาอาจารย์ยังอยู่กับพวกท่านในธรรมวินัยที่ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วสวาขาโตพระกัตาธรรมโอทำที่ดังทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปถ้าพวกเธออยากจะศึกษาธรรมจากเราก็ให้ศึกษาจาก พระธรรมคำสอนที่เราได้สอนไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันเ mm hmm. พราะธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้สี่สิบห้าปีนั้น mm hmm. ก็ได้มีการจดจากันมา mm hmm. แล้วก็มีการบันทึกลงไปในพระคำภี mm hmm. ที่เรียกว่าพระไตรปิฎก mm hmm. ถ้าเราต้องการที่จะศึกษา mm hmm. พระธรรมคำสอน mm hmm. ที่เป็นของแท้ของจริงเราก็ต้องไปศึกษาจาก พระไตรปิฎกในเบื้องต้นก่อนเพราะเมื่อเราได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วเราก็จะได้มีเครื่องวัดคำสอนของผู้อื่นต่อไปเพราะเวลาเราศึกษาจากพระคำภีนี้บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจยังไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาได้เราก็จะต้องไปพึ่งพระอริยสงสาวกต่างๆ แต่การไปหาพระอริยสงสาวกนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ารูปใดเป็นพระอริยสงสารกหรือไม่แต่ถ้าเราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในเบื้องต้นไว้เป็นมาตรฐานวัดคำสอนของคูบาจารย์ที่เราไปศึกษาด้วยถ้ากูบาาจารย์ที่เราไปศึกษาด้วยนั้นท่านสอนตาม ทางที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนเราก็สามารถยึดถือเชื่อถือได้ถ้าท่านไม่สอนตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็อาจจะไม่ไม่ต้องการไปศึกษากับท่านก็ได้อันนี้ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนแล้วมันก็จะมีเครื่องเปรียบเทียบถ้าเราไม่ได้ศึกษาเลยจากพระไตรปิฎก ถ้าเราไปศึกษากับครูบาจารย์รูปต่างๆ <c oughs> เราก็า จ, จะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกต้องหรือไม่ <c oughs> สอนตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ <c oughs> ถ้าสอนถ้าท่านสอนผิดทางแล้วเราไม่รู้ว่าผิดทางจากที่พระเจ้าได้ทรงสอนแต่เราก็มีศรัทธาความเชื่อเราก็ปฏิบัติตาม <c oughs> เราก็อาจจะหลงทางตามท่านไปก็ได้ <c oughs> ดังนั้นการที่เราจะมีคําสอนที่ถูกต้องเราต้องเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก่อนศึกษาจากพระคัมภีร์หรือศึกษาจากหลักสูตรของธรรมที่ทางคณะสงฆ์ได้จัดสรรออกมาสอนเช่นหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกเป็นต้น จะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าสมุที่ส่งแสดงไว้ให้เราได้ศึกษาได้เข้าใจให้ได้นำอาไปปฏิบัติแล้วพอเราปฏิบัติแล้วเราอาจจะติดขัดที่ตรงไหนไปไม่ถึงไหนก็อาจจะต้องไปพึ่งพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ช่วยสอนให้ช่วยบอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ถ้าท่านสอนตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนแล้วเราก็รู้ว่าท่านสอนตามแนวนี้เราก็สามารถยึดเอามาเป็นคำสอนนำมาไปปฏิบัติได้แต่ถ้าท่านไม่สอนตามแนวที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนเราก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่เป็นแนวทางที่ถูกต้องอ น, นี้คือเบื้องต้นของการที่เราจะศึกษาก็ททำคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดเหตุที่พาให้เรามาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเมื่อเราได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องพอเรานามาไปปฏิบัติเราก็จะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้นี่คือ หน้าที่ของพระพุทธศาสนามีไว้เพื่อที่จะมานําพาสารโลกอย่างพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆให้ได้หลุดพ้นได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของที่สนุกถึงแม้จะมีความสนุกมีความสุขบ้างแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่จะต้องเจอนี่มัน มันแสนสาหัสมันได้ไม่คุ้มเสียความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่ได้นี้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นเรื่องของความทุกข์มากกว่าเป็นเรื่องของความสุขเราก็จะได้เข้าหาพระพุทธศาสนากันเข้าหาพระธรรมคําสั่งคําสอนแล้วก็นํามาไปปฏิบัติตาม แล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา<ม>ที่เกิดขึ้นมาเมื่อ 2,612 ปีมาแล้วได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันเป็นจำนวนมากและก็ยังกำลังทำหน้าที่อันนี้อยู่ต่อไปอยู่เรื่อยๆ ถ้าตามใดยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ถือว่ามีอยู่ในพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและมีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆยังมีมาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะอันประเสรศิฐนี้เราก็ยังสามารถที่จะหลุดพ้น จากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็มีอยู่ส4สี่ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเรียกว่าปริยัติธรรม เมื่อเราได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วว่าต้องปฏิบัติอย่างไรขั้นที่สองเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็หมายถึงปฏิบัติอย่างเต็มร้อยเต็มที่ไม่ย่อหย่อนไม่ไม่เกลียดคร้านมีความเพียรพยายามที่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามกาลังของตน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกต้องตามคําสอนทุกทุกขั้นตอนเ <c oughs> มื่อได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ <c oughs> จะได้ขั้นที่สามก็เรียกว่าปฏิเวท <c oughs> คือการบรรลุทำขั้นต่างๆบรรลุทำขั้นโสดาบรรันขั้นสกิทาคามีขั้นอนนาคามีและขั้นอรหันต์ตามลําดับอันนี้คือ ขั้นที่สา ม, มเมื่อได้บรรลุแล้วรู้ธรรมมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถนํามาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้นั่นต่อไปได้ทําประโยชน์ต่อไปทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าทําหน้าที่แทนพระอริยสงสาวกุกผู้ที่มีอายุมากกว่าและผู้ที่ได้จากโลกนี้ไปก็มาทําหน้าที่เพื่อรักษาให้มีพระพุทธศาสนา อยู่กับในโลกนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานถ้ามีการปฏิบัติสี่ข้อนี้<ม>คือมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ ธ, ธรรมและมีการนำเอาธรรมที่ได้บรรลุมาเผยแพรแ่สั่งสอนพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ในโลกนี้เป็นที่พึ่งของสารโลกนี้ไปได้เป็นเวลาอันยาวนานต<ม>ามคำพยากรณ์ก็ของพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าประมาณ 5,000 ันปีด้วยกัน ถ้าพวกเราอยากจะให้ศาสนานี้ที่เป็นคำสอนนั้นเลิศอันตรเสริญให้อยู่กับโลกนี้เป็นที่พึ่งของสรรโลกอย่างพวกเราต่อไปถึงห้าพันปีเราก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของชาวพุทธเราหน้าที่ก็คือสี่ข้อที่ได้สแสดงไวน้นี้คือเราต้องหมั่นศึกษาพราะธรรมคำสอนฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เมื่อฟังทำแล้วเข้าใจแล้วว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างเราก็นําเอาไปปฏิบัติเมื่อเรานําเอาไปปฏิบัติแล้วกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำำําดับจนในที่สุดก็จะหมดสิ้นไปพอหมดสิ้นไปเราก็ได้บรรลุถึงขัง้นขั้นสูงสุดคือขั้นอรหัตตผล ได้บรรลุถึงพระนิพพานเมื่อเราได้ทำหน้าที่ของเราได้เสร็จอย่างสมบูรณ์แล้วเวลาที่เหลือของชีวิตเราก็นำเอามาใช้ในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ต่อไปนี่คือหน้าที่ที่ชาวพุทธเราควรจะปฏิบัติตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เราไม่ควรที่จะตั้งตัวเราเป็นอาจารย์ไปคอยสอนผู้นั้นผู้นี้เพราะเรายังไม่สามารถสอนตัวเราเองให้หลุดพ้นได้เราจะไปสอนให้ผู้อื่นเขาหลุดพ้นได้อย่างไรเบื้องต้นนี้ขอให้เรามาสอนตัวเราเองก่อนทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกขทั้งหลายก่อนเมื่อเราทำให้เราได้หลุดพ้นแล้วเราก็จะมีความรู้ความสามารถ เต็มร้อยที่จะสามารถเอาไปสอนไปให้ผู้ได้หลุดพ้นจากกองทุกได้แต่ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นแนละ้วเรามมวแต่ไปสอนผู้อนะื่นตัวเองก็ไม่หลุดพ้นผู้อื่นก็จะไม่หลุดพ้นเพราะคาสอนของเรานี้ยังเป็นคําสอนที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าถูกต้องแล้วมันก็จะต้องทําให้เราหลุดพ้นจากกองทุกได้ก่อน ดังนั้นถ้าเราได้ศึกษาทมและได้ปฏิบัติทมได้ได้สัมผัสผลบ้างบางส่วนก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเอาไปสอนผู้อื่นอย่าทำตนเป็นอาจารย์ยุติการยุติการศึกษาการปฏิบัติของเราเอาเวลามาให้กับการเผยแพ่สั่งสอนธรรมะอย่างนี้ยังไม่ถูกไม่ควรควรที่จะมุ่งไปสู่การหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ก่อนให้เรียนจบปริญญาให้ได้ก่อน แล้วค่อยไปเป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไปจะดีกว่าเพราะจะได้ได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนประโยชน์ของตนก็จะได้คือได้ทากิจของตนได้สมบูรณ์ได้หลุดพ้นจากกองทุกได้อย่างอย่างอย่างแน่นอนอย่างราบคาบหลังจากนั้นแล้วก็ไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ดังนั้นขอให้เรามาให ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของเราก่อนไม่ต้องไปกังวลว่าเราเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องของการการทำหน้าที่ทุกคนต้องมีหน้าที่ของตนทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วค่อยไปทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปถ้าเรายังทำหน้าที่ของเราไม่สมบูรณ์ เราก็จะไม่สามารถไปทําหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มที่นั่นเองดัง น, นั้นถ้าเรายางรังพวกระงงวนยังกังวลกับเรื่องการที่เราจะต้องไปคอยดูแลผู้อื่นนั้นก็ให้เราถือว่าเราเพียงแต่ไปเพียงชั่วคราวเราไม่ได้ไปอย่างถาวรเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ออกบวชก็ไปออกบวชไปปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม พอหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็กลับมาช่วยญาติพี่น้องของพระองค์แสดงธรรมปิดพี่น้องของพระองค์ก็มีผู้ได้ยินได้ฟังธรรมสนใจก็ขอออกบวชปฏิบัติกันและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กัน<ม>เป็นจำนวนมากมถ้าพระ อ, องค์ไม่ได้ออกจากวังไปก่อนไปไปปฏิบัติไปบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ก็จะไม่มีใครรู้วิธีที่จะบรรลุหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย<ม>ก็จะไม่มีใคร<ม>พระองค์ก็ไม่สามารถสอนคนอื่นให้หลุดพ้นได้ในเมื่อพระองค์เองยังไม่ได้หลุดพ้น<ม>ก็จะไม่มีใครได้รับประโยชน์อะไรเลยแต่ที่พระองค์ได้ได้ทรงสเสด็จออกไปบวชนี้<ม>เป็นการไปทําหน้าที่เพื่อให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ก่อน เมื่อได้หลุดพ้นแล้วก็กลับมาสอนผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกให้ได้หลุดพ้นตามกันมาเห mm. มือนกับการไปศึกษา mm. ไปเรียนหนังสือ mm. บางคนต้องไปเรียนต่างประเทศนี่ mm. ก็ไปศึกษาเพื่อไปเอาปริญญาพอจบปริญญา mm. ก็เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้าน mm. ประเทศของตนเองแล้วก็มาทําหน้าที่เอาความรู้ที่ได้ไปเรียนได้ศึกษานี้มาเผยแพร่สั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไป mm. การทำหน้าที่ของชาวพุทธเหล่านี้จึงไม่ได้ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดไม่ต้องกังวลมันเป็นการที่เราจะเหมือนกับการที่เราไปรักษาตัวในโรงพยาบาล<ม>เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวมันเป็นการทำหน้าที่รักษาพยาบาลร่างกายให้หายเป็นปกติถ้าเราไม่ไปรักษาเราก็อาจจะตายได้ ทำให้ไปเข้าโรงพยาบาลไปรักษาอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะทำหน้าที่ดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแต่เมื่อเราไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเราเองได้แล้วเราจะไปดูแลช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไร <S <S นั้นการที่เราไปทำหน้าที่เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆนี้จึงไม่ได้ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดเป็นการเสียสละเสียมากกว่าเสียสละความสุขทางโลกเพื่อไป หาความหลุดพ้นด้วยการต้องอยู่แบบทุกข์ทรมานจากการปฏิบัติทมขั้นต่างๆจึงเ ป, เป็นสิ่งที่เหมือนกับเ ป, เป็นเหมือนกับทหารที่ต้องไปเข้าสู่สมรรภูมิรบต้องไปอยู่กับความทุกข์ยากลาบากอยู่กับภัยต่างๆเพื่อที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองให้อยู่อย่างสงบสุดได้อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเรียกว่าเป็นการไปทาหน้าที่ของตนให้ ให้สมบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขของตนและของผู้ที่จะตามมาต่อไปดังนั้นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะคํานึงก็คือการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ถือเป็นการเห็นแก่ตัวแต่เป็นการทําหน้าที่ที่จำเป็นที่จะต้องทําถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจําเป็นที่จะต้องไปศึกษาพราะธรรมคาสอน องพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็นำมาไปปฏิบัติ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้บรรลุทำขั้นต่างๆหลุดพน้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆได้หลังจากที่ได้หลุดพน้นอย่างเส้นเชิงแล้วก็สามารถที่จะเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นสิ่งแรกที่พวกเราชาวพุทธคนที่อยากทากันถ้าเรายังไม่ได้กระทา ก็คือคนที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหลุดพ้นจากกางทุกข์ได้อย่างไรสิส่งที่พระเจ้าทรงสอนก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันก็คือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนานี่คือวิธีการที่จะกําจ <t ain in yourself> ัด right. ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยถอยลงไปและให้หมดสิ้นไปได้ ทำจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขั้นแรกก็คือขั้นทานนี้เป็นขั้นที่ง่ายที่สุดขั้นต่อมาก็คือขั้นรักษาศีลและขั้นต่อมาก็คือขั้นขั้นภาวนาเราก็ต้องทำเหมือนกับการที่เราไปโรงเรียนเวลาที่เราไปเรียนหนังสือเราก็ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลต่อก่อนหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปสู่ชั้นปถม อยากชั้นปฐมเราก็ขึ้นสู่ชั้นมัธยมและขั้นสู่ขึ้นสู่ขั้นระดับปริญญาตีโทเอกตามลำดับต่อไปการปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลสตัณหาตัวที่พาให้สัตว์โลกมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องทำจากขั้นขั้นแรกก่อนก็คือการทำทานเพราะเพราะว่ากิเลสของเรานั้นมันยังติดอยู่กับการใช้เงินใช้ทอง การไปหาความสุขทางโลกด้นั่นเองเราหาเงินทองนี้ส่วนหนึ่งเราก็หามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่เป็นโทษไม่ได้เป็นกิเลสแต่จาเป็นที่จะต้องมีเพื่อเลี้ยงดูร่างกายมีเงินทองมาเพื่อที่จะซื้อปัจจัยสี่คือซื้ออาหารซื้อเครื่องหนุ่มนุม่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคไว้มาดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุข ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยส่วนเงินทองอีกส่วนหนึ่งที่เราเอาไปใช้ในการหาความสุขทางโลกทางตาหูจมกูกลิ้นกายเงินทองส่วนนี้แหละเป็นเงินทองที่เป็นอันตรายต่อการเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะไปแสวงหาความสุขด้วยการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผดทะพะชนิดต่าง ใช้นาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดูไปฟังอะไรต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นที่เกินความต้องการของร่างกายการกระทําเหล่านี้แหละเป็นกิเลสตัณหาเป็นตัวรที่จะพาให้จิตใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ท่านบอกว่าให้เอาเงินส่วนนี้เงินที่เราจะไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายเอามาทำบุญทำทานกันแทนเพราะเวลาทำบุญทำทานนี้เราจะไม่ได้ไปทำตอบสนองกิเลสตัณหาความอยากนั่นเองไม่ได้ไปตอบสนองความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทุกครั้งที่เราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยากจะไปดูไปฟัง มหลัลสพบันเทิงอะไรต่างๆเราเอาเงินก้อนนี้ไปทําบุญกันดีกว่า mm hmm. เพราะการทําบุญก็จะให้ความสุขกับเราด้วยน่า mm hmm. เป็นการสกัดกั้นความอยากที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนี่เอง mm hmm. ทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินไปกับการเสพรูปเสียงกิ่นรสเราก็เอาไปทําบุญทําทานแทนเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าเพราะมันเป็นความสุขที่ แปราศจากโทษไม่มีไม่มีความทุกข์ตามมาจากการทําบุญทําทานไม่เหมือนกับเงินที่เราเอาไปใช้กับการเสพลูกเสียงกลิ่นล้มันมีโทษตามมาเพราะว่ามันจะทําให้เราติดเหมืนอนยาเสพติดพอเราเสพแล้วติดพอเวลาที่เราไม่ได้เสพมันจะทําให้เราทุกข์กันทําให้เราไม่สบายใจทําให้เรามีความหมุดหมิดลาคาญใจนี่คือโทษของการไปเสพยาเสพติด คือเสบรูปเสียงกิดลดผลสภาทาให้เราเกิดความทุกข์ในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะเสมันได้แล้วมันก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆด้วยดังนั้นเราไม่ควรจะใช้เงินทองที่เราหามาด้วยความยากลําบากให้ไปกับการไปต่อพบต่อชาติไปสร้างความทุกข์สร้างความหงุดหงิดให้กับเราในอย่างที่เราไม่สามารถที่จะเสพรูปเสียงกิดลดผลสภาได้ เช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายบวกร่องพิกลพิการตอนนั้นเราก็จะเกิดความทุกข์กันเกิดความหมุดหงิดกันเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นั่นเองดังนั้นให้เราพยายามลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการเอาเงินที่เราจะไปใช้กับการเสพรูปเสียงกลินรสนี้ ไปให้กับการทําบุญทําทานแทนการทําบุญทําทานนี้มีคนประโยชน์เพราะมันเป็นเหมือนให้อาหารให้แก่จิตใจความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานนี้มันจะอยู่ติดกไปกับใจมันจะไปกับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่มีบุญมีความสุขนี้แหละคือบุญและบุญนี้แหละที่จะพาให้ดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วได้ไปสู่สุคตินะ ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปถึงขั้นพระนิพพานอย่างน้อยการเวียนว่ายตายเกิดก็จะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก็คืออยู่ในในสุคติถ้าเราเอาเงินทองไปใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่บางทีเราใช้ไปแล้วมันไม่พอใช้มันก็อาจจะทำให้เราต้องไปหาเงินมาโดยวิธีไม่ชอบด้วยการทาบาปกรรมต่างๆ พอเราไปทำบาปกรรมเราก็จะสะสมทุกข์ไว้ในใจสะสมภพชาติที่ไม่ดีไว้ในใจคือสะสมทุกขติไว้ในใจเวลาที่ร่างกายตายไปใจเราแทนที่จะไปสวรรค์ก็จะต้องไปเกิดในอบายแทนนี่คือโทษของการที่ใช้เงินทองไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายท่านจึงสอนให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุข ด้วยการจากการใช้เงินทองอย่าไปใช้เงินทองไ ป, ไปกับการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เอามาใช้กับการทำบุญทาทานการทำบุญทาทานนี้ก็สามารถเลือกทำได้จะทำกับใครก็ได้อ น, นี้ได้ผลเท่ากันการทำบุญที่จะทำให้เราเกิดความสุขใจนี้ไม่ได้อยู่กับที่บุคคลที่เราทำด้วยสิ่งส่วน ส่วน ส, ส่วนสิ่งที่เราจะได้จากบุคคลที่เราไปทำนั้นก็มีแต่ไม่ได้เกี่ยวกับบุญคือความสุขใจอิ่มใจสิ่งที่เราอาจจะได้จากบุคคลที่เราไปทำด้วยก็คือธรรมะนี่เองถ้าเราไปทำบุญเพื่อต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกบุคคลบุคคลที่มีธรรมะมากมากเช่นไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ธรรมะที่สูงสุดลองลงมาก็พระอารหันต์ประสาวก เราลงมาก็คือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเราก็จะได้ธรรมะตามลาดับของความรู้ของท่านอันนี้หมายถึงธรรมะที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทาบุญด้วยแต่บุญที่เกิดจากความเสียสละแบ่งปันบุญที่เกิดจากการให้นี้มันมันมันเกิดมันได้เท่ากันไม่ว่าจะทาบุญกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือทากับบุคคลธรรมดาก็ดี ความสุขใจอิ่มใจนี้มันได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราทำบุญเพื่อละกิเลสเราทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับผู้คลองเรือนก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะสกัดกั้นความอยากต่างๆเช่นเวลาเราอยากจะไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวอย่างนี้เราก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญแทนอย่างนี้ เราก็จะได้ความสุขใจแล้วเราได้ละความอยากการไปเที่ยวให้มันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปความอยากจะไปเที่ยวนี้มันจะไม่มีเลยทุกครั้งมันพอมีเงินมันอยากจะมีความสุขก็เอาไปทำบุญดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้มันติดข้างอยู่ในใจ แต่มันไม่ได้เพิ่มมันไม่ได้สร้างความอยากให้เราไปอยากจะทําบุญแต่อย่างใดเวลาไม่มีเงินไปทําบุญเราก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลาคาญไม่เหมือนกับเวลาที่เราเอาเงินไปเสพรูปเสียงกิ่นรสต่างๆเวลาไม่มีเงินจะเสพรูปเสียงกิ่นรสนี้มันก็จะทําให้เราหงุดหงิดลาคาญใจไม่สบายใจทุกข์ใจได้นี่คือเหตุเรื่องของการทําบุญทําทานทําบุญเพื่อ เป้าหมายหลักก็คือเพื่อลดละความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองด้วยการใช้เงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพมันก็จะทําให้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้น้อยลงความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสน้อยลงเท่าไหร่ภพชาติที่จะพระที่เราจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับเหตุที่เรายังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ มาเกิดในการมาพบอยู่ก็เพราะความอยากในรูปเสียงจิ่ตลดผลสะพานี่เออยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากเสพสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ก็้พอมันเสพแล้วมันก็จะติดแล้วมันก็อยากทำให้อยากจะเสพมากขึ้นไปตามลําดับพอร่างกายนี้ตายไปจิตที่ยังมีความอยากเสพรูปเสียงจิตลดผลสะพ้าอยู่ก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาเสพรูปเสียงจิ่นลด ไปนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่สิ้นสุดได้ก็คือเราต้องพยายามลดละการเสพรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปซื้อของต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็เอาเงินที่จะไปใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้เอาไปทําบุญทําทานแทนนี่คือเรื่องของการทําบุญทําทาน เพื่อให้เราได้ลดละความอยากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดลงไปเพื่อลดจำนวนภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบให้ลดน้อยลงไปตามลาดับนั่นเองและเมื่อเราสามารถทําบุญทาทานได้<ม>ขั้นต่อไปก็คือการรักษาศีล<ม>ก็จะเป็นเรื่องที่ง่าย<ม>คนที่ทําบุญทาทานอยู่เรื่อยๆนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนไม่ชอบทาให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อน ก็จะทําให้มีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็ว่าได้คนที่ชอบทําบุญนี้จะไม่ชอบทําบาปจะไม่ชอบฆ่าสัตว์จะไม่ชอบลักทรัพย์เอาทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่ชอบประพฤติผิดประเพณีจะไม่ชอบพูดปดโกหกหลอกลวงใครจะไม่ชอบดื่มสุรายามาและของมึนเมาต่างๆพอรู้ว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้ขาดสติจะทําให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์เวลาที่เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาได้ อันนี้ก็จะทําให้การรักษาสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายง่ายกว่าคนที่ไม่ทําบุญทําทานคนที่ไม่ทําบุญทําทานคนที่เอาแต่ได้อยากจะได้ความสุขใส่ตัวเวลาจะทําอะไรบางทีก็ไม่คิดถึงความเสียหายเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อื่นก็ได้แต่คนที่ทําบุญทําทานนี้เวลาจะทําอะไรนี้จะต้องคํำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากผู้นั่นเองจึงทําให้ เป็นผู้ที่มีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติถ้าทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆการรักษาศีลห้าก็จะเป็นของที่ง่ายไม่ใช่เป็นของยากลำบากะไรอย่างใดและเมื่อเรารักษาศีลห้าได้เป็นปกติแล้วเราก็ต้องมารักษาศีลมากไปกว่า น, นี้ถ้าเราต้องการที่จะตัดหรือลดกิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจเพราะว่าความอยากต่างๆที่ลดด้วย จากการทำทานก็ดีลดจากการรักษาศีลก็ดีนี้มันยังเป็นส่วนย่อยอยู่ยังมีส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในใจที่ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการทำบุญทาทานด้วยการรักษาศีลจาเป็นที่จะต้องกาจัดด้วยการปฏิบัติภาวนาคือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญภาวนาซึ่งเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นที่สามของ คำสอนของพระพุทธเจ้าขั้นที่หนึ่งสอนให้เราทําทานเมื่อทําทานได้แล้วก็สอนให้เรารักษาศีลอย่าไปทําบาปเราก็จะตัดภกชาติของการเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติได้เวลาเราอยากจะทําร้ายใครเราก็จะไม่ทําร้ายเขาเพราะเรารักษาศีลเรามีศีลมันก็จะตัดความความอยากที่จะพาให้จิตต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติคือไตรบายทั้งสี่ได้ จิตที่รักษาศีลได้ก็จะไม่ไปเกิดเป็นในราชฉานไม่เกิดไ ป, ไปเกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นนสุลกายไม่ไปเกิดในนรกจะเกิดอยู่แต่ในสุขติเท่านั้นเองแต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ถ้าอยากจะยุติการไม่กลับมาเกิดเลยก็ต้องปฏิบัติข้อที่สคือการภาวนา<ม>การภาวนานี้จะเข้าไปชำระกิเลสตัณหาตัวที่ละเอียดตัวที่ฝังลึกอยู่ในใจ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ตัวที่ศีลไม่สามารถกําจัดได้ตัวที่ทานไม่สามารถกําจัดได้ต้องอาศัยการภาวนาเท่านั้นถึงจะสามารถกาจัดกิเลสตัณหาที่ละเอียดได้และการที่จะไปปฏิบัติภาวนาได้นี้สิ่งที่จาเป็นจะต้องทาก็คือต้องสามารถรักษาศีลแปดขึ้นไปให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่รักษาศีลแป น, นี้ยังไม่สามารถ ห, าห้ามใจ ไม่ให้ไปสว่างหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอยู่นั่นเองดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะไปภาวนามักจะจาเป็นที่จะต้องถือศีลแปดกันเพราะว่าถ้าไม่มีศีลแปดแล้วจะจะมีอุปสรรคในการภาวนาก็คือมีนิวรณ์คือการมาฉันทามักจะเกิดขึ้นคือความอยากเสพนุ่เสียงกลิ่นรสผลภาชชนิดต่างๆอยู่ เมื่อเกิดนิวรณ์ความอยากเสพการมาชันทะนี้มันจะทําให้ไม่สามารถที่จะไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ดัง mm hmm. นั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือคอยต้องถือศินแปดสินแปดนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มอยากสินห้าอีกสามข้อด้วยกันเลยและเปลี่ยนศีลข้อที่สามจากการไม่ประพฤติถือประเพณีมาเป็นการประพฤติพรหมจรรย์คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลย mm hmm. ศีลห้ายังอนุ ญ, ญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่พอมาถึงศีลแปนี้ไม่ต้องการให้ไปร่วมหลับนอนกับใครเพื mm ่อ hmm. จะได้เอาเวลาของการไปร่วมหลับนอนการของการไปเสพกรรมนี้มาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธินั่นเองอสิ่งที่ศีลแปจะช่วยช่วยให้นักปฏิบัติได้ภาวนาก็คือช่วยกำจัดกิจกรรมต่างๆที่จะเอาเวลาของการบาเพ็ญจิตตภาวนาไปนั่นเอง เช่นสี่งข้อสการบวชอัรมงย์งนี้ก็จะทำให้เรามีเวลาว่างแทนที่เราจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครองของเราเราก็จะได้ เ, เวลานี้ไปให้กับการฝึกสมาธิ<ม>กับการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นเช่นเดียวกับสี่งข้อหก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วให้รับประทานพออยู่ได้กินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินอย่ารับประทานด้วยตัณหาความอยาก พราะถ้ารับประทานด้วยตัณหาความอยากมันอยากจะรับประทานอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเมื่อมีความอยากรับประทานอาหารมันก็จะไม่มีเวลาไปให้กับการปฏิบัตินั่นเองดังนั้นพอถือสิ น, สนข้อนี้สินข้อกไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันพอหลังเที่ยงวันแล้วถึงแม้จะมีความอยากก็ต้องหาข้าวจิตใจว่าตอนนี้เราทาไม่ได้แล้วเราไม่เราถือศินข้อนี้แล้วไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้ว มันก็จะทำให้เรามีเวลาให้ไปกับการภาวนานั่นเองเช่นเดียวกับสินข้อ7ก็คือการไม่ไปหาความสุขจากการดูมหอรศบันเทิงต่างๆร้องนำทําเพลงหรือด้วยการเสริมสวยความงามของร่างกายตัดเนื้อตัดตัวแต่งหน้าทาปากอะไรทำนองนี้ก็จะได้มีเวลาไปให้กับการปฏิบัติภาวนานั่นเองและข้อสุดท้ายข้อ8ก็คือไม่นอนมากเกินไป วิธีไม่ให้นอนมากเกินไปก็อยากนอนบนเตียงที่มันสุขมันสบายให้นอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งแข็งปูด้วยผ้าด้วยเสื่อลุบนอนกับพื้นเพราะถ้ามันนอนในที่มันไม่สะดวกสบายมันก็จะหลับเพียงแต่เพื่อพักผ่อนร่างกายพอหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอลืมตาขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติจิตตะภาวนาได้ นี่คือสิ่งที่นักภาวนาผู้ที่ต้องการที่จะเข้าไปชำนะกิเลสตหาขั้นละเอียดนี้จําเป็นที่จะต้องรักษาศสียงแปดขึ้นไปต้องอยู่แบบนักบวชไม่แสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างเอาเวลาที่เป็นแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มาให้กับการสึกจิตมาควบคุมจิตทำจิตใจให้สงบแะการที่จะทําจิตใจให้สงบได้สิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องมีการเจริญสติ เพราะสตินี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่จะมาหยุดความคิดต่างๆตามปกติจิตของเรานี้จะคิดทั้งวันทั้งคืนพอลืมตาขึ้นมาปับ๊บพอตื่นขึ้นมาเราก็จะคิดถึงคนนั้นครนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าไปถึงกลางวันไปถึงเย็นไปถึงก่อนนอนจะคิดอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งเวลาจะนอนบางทีก็นอนไม่หลับเพราะคิดอยู่ยังหยุดความคิดไม่ได้ถ้าเราต้องการจะกําจัดกิเลสที่ละเอียดนี้เราจะเป็นที่ต้องหยุดความคิดให้ได้ เพราะถ้าเราหยุดความคิดได้จิตก็จะสงบเวลาจิตสงบกิเลสที่ละเอียดที่มีอยู่ในใจมันก็ต้องสงบตัวลงไปตามไปด้วยเพราะฉนั้นสิ่งากที่เราต้องกรททำถ้าเราต้องการที่จะทำกำจัดกิเลสที่ละเอียดเราต้องมีสติก็หยุดความคิดเวลาหยุดความคิดกิเลสตัณหาที่ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือก็ไม่สามารถที่จะทางานได้ กิเลตัณหาก็จะหยุดชั่วคราวไปก่อนแต่ยังไม่ตายอย่างถาวรเวลาเราใช้สติหยุดความคิดเราไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากที่จะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมาพอเรานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งสงบพอ n ิ่งสงบปั๊บเนี่ยความอยากต่างๆที่เคยสร้างความทุกข์สร้างความหงุดหงิดลคาคาญใจก็จะหายไปชั่วคราวใจก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งวง ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เมื่อได้พอกับความสุขความสงบของใจแล้วก็จะรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่ใจต้องการนี่แหละคือที่พึ่งของใจที่จะทําทให้ใจไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพอได้รู้แล้วว่าความสงบนี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องรักษาพอออกจากสมาธิมาพอจิตไปเริ่มคิดเริ่มเกิดความอยากขึ้นมาตอนนี้ก็ต้องมาใช้พอใช้ใช้ปัญญาคือ ภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาทําจิตใจให้สงบพอออกจากสมาธิมาพอจิตใจเริ่มคิดกิเลสตัณหามันก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาตอนนั้นเราก็ต้องการถ้าเราต้องการที่จะรักษาจิตให้สงบเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในสมาธิเราก็ต้องหยุดกิเลสตัณหาพอเวลาที่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาใจจะเริ่มวุ่นใจจะเริ่มกระสับกระส่ายใจยจะกระเพิ่มใจจะไม่มีความสุข ถ้าเราต้องการที่จะกำจัดกิเลสตัณหาอย่างถาวรเราต้องกำจัดตอนนี้ตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเกิดตัณหาความอยากก็ให้เราใช้ไตใช้ปัญญาที่พิะเจ้าทรงสอนว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้มันเป็นทุกข์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นทุกข์ทุกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราว <c oughs> เป็นอ น, นิจจังเป็นของชั่วคราว เวลาได้เสพได้สัมผัสก็มีความสุขเวลามันไม่มีให้เสพให้สัมผัสมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถครอบครองเก็บเอาไว้เป็นของเราไปได้ตลอดมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเป็นสมบัติชั่วคราวถ้าไม่อยากทุกข์ไม่อยากจะเศร้าเวลาที่มันจากเราไปก็อย่าไปเสพมันดีกว่าเลิกเสพมันพอเราหยุดความอยากได้ใจที่วุ่นวายกับความอยากก็จะสงบตัวลง แต่ก็รู้แล้วว่าอ๋อความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเรานี้เองก็<ม><ม>ต่อไปก็พยายามที่จะคอยสกัดกั้นความอยากด้วยด้วยวิธีนี้ด้วยการพิจารณาายรักอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะอยากได้อะไรก็ตามอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานานก็รู้ว่าทำไม่ได้ร่า<ม>งกายเป็นของชั่วคราวเป็นทุกข์<ม>ถ้าเราไปอยากให้มันอยู่ไปนา น, าน ก็จะหยุดความอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆได้ใจต่อไปก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนาไม่ทุกข์กับใจไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆตอนในที่สุดความอยากในทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ ความสงบที่เกิดจากการกำจัดกิเลสตัณหานี้จะเป็นความสงบที่ยั่งยืนที่ถาวรเพราะว่าไม่มีตัวที่จะมาทำลายตัวที่ทำลายก็คือตัณหาความอยากได้ถูกกำจัดด้วยปัญญาคือใจรักอริยสัจสี่นั่นเองนี่แหละคือขั้นสุดท้ายของการยุติการเวียนว่าตายเกิดยุติความอยากต่างๆต้องมายุติด้วยวิปัสสนาภาวนาหรือการใช้ปัญญา แต่การการที่จะใช้วิปัสสนาภาวานาได้จำเป็นที่จะต้องมีสมถะภาวานาเป็นเป็นเครื่องสนับสนุนก่อนต้องทำจิตให้สงบด้วยการเจริญสติด้วยการภาวานาสมถะภาวานาก่อนแล้วหลังจากที่จิตออกจากความสงบมาแล้วเริ่มเกิดความวุ่นวายขึ้นมาด้วยความอยากก็ใช้ปัญญามากำจัดความอยากที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจพอกาจัดความอยากได้ด้วยปัญญาแล้วใจก็กลับมาอยู่ สงบนิ่งต่อไปนี่นี่คือวิธีการที่พุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกิดจากความอยากให้หมดสิ้นไปด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ที่ท่านได้บำเพ็ญกันมาทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องทำทานก่อนสละราชสมบัตินี่แหละคือการทำทาน เคยมีเคยใช้เงินทองหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกิ่นรสก็ท ล, ลาราชสมบัติออกบวชไปถือศีลของนักบวชเพื่อจะได้บําเพ็ญจิตตาภาวนารักษาศีลทุกคนถ้าต้องการที่จะไปทางนี้ก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันทุกคนต้องทําทานต้องรักษาศีลต้องการต้องภาวนาถึงจะสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่สิ้นสุดได้ นี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าได้ทรงตัดสินและได้ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลกอย่างพวกเราผู้ที่มีความสนใจและมีศรัทธาความเชื่อนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนตามที่ปรากฏของพระอหรหันตสาวกที่มีปรากฏอยู่มาอย่างต่อเ น, นื่องทุกยุคทุกสมัยจนถึงยุคปัจจุบันนี้ ถ้าหลานต่างๆเหล่านี้ท่านบรรลุผลได้ก็เพราะการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนนั่นเองเมื่อทรงสอนเมื่อได้ศึกษาคําสอนได้นํำมาไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากนั้นแล้วก็ได้มาทําหน้าที่เอาคําสอนนั้นประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของวรนนราสาราบูชาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอยาขออนุโมทนาให้พอรอยากทาวาริวหาภูราปาิปุเรนติสากลังเอวามีวะอิตโตทินางเปตานางอุ ป, ปกาปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพุเรนตุสังกปา จันโทปนะราสุยถาเมณิโชติราสุยถาสภีสัตตาวิวาจันโตสัพพโลกวินสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจจงวุธาปจายิโนจตารโอธรรมวัฏานติ อายุวันโอสุ ข, ขังภาลัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็แชร์ถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กลาบนมัสการเจ้าค่ะ ผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 485 YouTube พระอาจารย์สุชาติ392 YouTube Dr.V 70วิทยุออนไลน์6 c l u b h o u s ์10ผู้รับฟังหน้ากุติ380รวม 1,343 ท่านเจ้าคะ่ะคำถามฝากถามจากหน้ากุติเจ้าคะ่ะ ผู้รักษาศีลแปดเล่นโทรศัพท์มือถือโซเชียลต่างๆเช่น Facebook ลายติ๊กตอกถือว่าผิดศีลข้อเจ็ดหรือไม่ครับพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับไม่ควนใช้มันเลยเนาพอมันจะมันจะทำให้เราเสียเวลาหมดเวลาไปกับการเล่นมือถือ จะเข้าพรรษาสามเดือนคารวาสควรยกรมข้อใดขึ้นมาฝึกตนเองตลอดในพรรษานี้หรือควรนำจุดอ่อนของ ต, ตอนเองมาแก้ไขก่อนขอหลวงพ่อแนะนำด้วยเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำความเพียรเพิ่มความเพียรโดยสี่ลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งให้สร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสองให้รักษาบุญกุศลที่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ให้หดหายไป 3. าให้ละบาปกุศลที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป 4. ป้องกันไม่ให้บาปกุศลที่ได้ละแล้วกลับคืนมาอีกนี่คือความเพียรที่เราควรจะตั้งเป้าในขณะในช่วงเขา้าพรรษานี้ นกพิราบป่วยถ้าเราพาไปเข้าโครงการรักษาแล้วเจ้าหน้าที่เอาไปปล่อยที่ชนบุรีจะเป็นการพาคพ่อพาคแม่แบบนี้เราจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่เขาจะถึงเวลาเขาก็ต้องไปของเขาอย่างนี้ เราจะทราบได้อย่างไรว่าพระที่เรากล่าวไหวอยู่รูปใดเป็นพระอริยสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ไปบวชและปฏิบัติกับท่านเพื่อมุ่งสู่นิพพานครับก็ต้องดูหลายๆอย่างด้วยกันดนะูด้วยว่างถามค น, คนที่รู้บ้างอะไรอันนี้ก็เป็นมันมันดูก็ดูคําสอนนะเป็นหลักดูคําสอนตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่า หรือว่าสอนตามที่ผู้เจ้าสอนแต่ตัวเองไม่ไม่ทำตามที่ผู้เจ้าสอนมันก็ไม่ถูกมันต้องสอนสอนอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นด้วยลูกเจอสภาวะโกรธในอารมณ์จึงใช้คำบริกรรมเพื่อหยุดใจเจ้าค่ะ หยุดเพื่อหยุดคิดปรุงอารมณ์แต่ก็ยังพอเห็นว่ามีอารมณ์คุกรุ่นอยู่ในจิตใจเมื่อออกจากคำบริกรรมก็จะไปทางปรุงให้ใจร้อนจึงบริกรรมต่อแต่รูป ก, ก็ยังมองเห็นว่าความคุกรุ่นในความโกรธนั้นยังมีอยู่ ด้วยเหตุนี้รู้ควรบริกรรมต่อไปจนกว่าความโกรธนั้นจะหมดหรือมีวิธีการแก้ไขแบบอื่นไหมเจ้าคะก็บริกรรมไปไเรื่อยๆเหมือนกินย า, ย า, ย, านยาอย่างไม่กินยายังไม่พอโรค ก, ก็ยังไม่หายก็ต้องกินต่อไปจนกว่าโรคจะหาย โยมชอบทาบุญสวดมนต์รักษาศีลและปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเป็นสม่าเสมอไม่มีความทุกข์แต่เหมือนการปฏิบัติไม่มีความคืบหน้าโยมควรจะ ป, ปฏิบัติอย่างไรเพิ่มเติมเจ้าคะคนหาเวลาไปเปรย์เว้ยไปปฏิบัติตามสถานที่ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติครั้งครั้งละน้อยนี่มันจะไม่ได้ ม, มันจะไม่ได้ผลเป็นก่อเป็นกำ คนควที่่่่จจะไปปปฏิบิบแบบััััตตตตแแห้้้มนนนนเเเเเ็ออืงงงชาาถึลลลยคำสรรเสริญเป็นราคะหรือรูปราคะหรือเป็นกิเลสชนิดไหนครับอคำสรรเสริญมันเป็นโลกธรรมมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในโลกนี้มีสรรเสริญคู่กับนินทามไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นอะไรใจที่ไปยินดีกับคำสรรเสริญเนี่ยเป็นกิเลส งัอย่าไปยินดีเพราะว่าเวลาคำสรรเสริญหายไปก็จะเศร้าใจจะเสียใจผมมีความทุกข์ในใจมันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้ผมควรจะทำอย่างไรครับทำใจให้สงบใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเวลาเกิดความเศร้าใจก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เกิดความเศร้าใจขึ้นมา ถึงเราจะเข้าใจในกฎของไตรลักษณ์ของพระพุทธองค์ดีในเรื่องของความไม่เที่ยงแต่เมื่อเกิดเหตุของความพัดพลากจากคนที่รักอย่างสุดหัวใจเช่นพ่อหรือแม่เราจะมีวิธีเตรียมใจยอมรับให้ได้อย่างไรเจ้าคะในวันที่พ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตามมันเกิดจากกิเลสความไม่อยากพัดพาดของตัวเราเอง การปฏิบัติจเจริญภาวนาจะช่วยให้ทาใจและเข้าใจในสัธจธรรมข้อ น, นี้ได้อย่างแน่แท้ใช่หรือไม่เจ้าคะก็ทั้งสองอย่างต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องมีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาพิจารณาจนกระทั่งใจ ย, ยอมรับในระดับหนึ่งแล้วก็ไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งถ้าใจนิ่งเราจะยอมรับแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ก็จะไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกเฉยเฉ การที่เราทำบุญร่วมกับผู้อื่นเช่นทำสังฆทานร่วมกันใส่บาตรร่วมกันแบบนี้ถือว่านได้บุญด้วยกันถูกไหมเจ้าคะบุญใครบุญมันมันไม่ได้เกี่ยวกันทำคนเดียวก็ได้บุญเหมือนกับทำร่ ก, กันหลายคนหมดแล้วเลย ว, <c oughs> okay. วันนี้เวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง ไปพินิ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ